อกุศลสัญญาเนะี่ยอกุศลสัญญาคือการมสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาเนี่ยมีรูปเป็นอารมณ์ก็มีมีเสียงเป็นอารมณ์ก็มีเหมือนป่วยถ้าคนไม่เยี่ยมอ่ะถามว่าชอบไหมบางคนเนี่ยไม่ได้เลยนะเครียดมากะนะเช่นมีลูกลูกไม่มาเยี่ยมมีล้านไม่มาดูแลเป็นต้นเนี่ยก็ก็ป่วยเพราะโรคเขาไม่เยี่ยมอีกโรคหนึ่งแล้วเพิ่มมาอีกทีละแต่ละโรคแต่ละโรคเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆพวกพยาบาทสัญญาก็จะตามมา ถ้าอากุศลสัญญาเกิดขึ้นนะโทสะก็ประดังเข้ามาโทสะก็ประดังเข้ามาวิญญาณก็เดือดร้อนอีกถามว่าถ้าขันแตกดับตรงนั้นเนี่ยปฏิสนธิขันอันใหม่ควรจะเป็นที่ไหนนะก็สัตว์รชานที่มากขนาดนี้ไม่ต้องแปลกใจว่ามาจากไห น, น, นแล้วก็อบายที่ที่เรามองไม่เห็นอีกก็ตั้งมากมายมัน หรือป่วยบางอย่างเนี่ยนะเกิดจากผลของกรรมเนี่ยความเจ็บป่วยบางอย่างอย่างคนที่ประโยค่าดีที่สุดคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่ทั้งกายก็ดีจิตก็ดีอาหารก็ชั้นหนึ่งเลยนะอุตุพระองค์ก็ดีแต่ที่โรคที่เกิดกับพระองค์เนี่ยส่วนหนึ่งเกิดจากกรรมคือเกิดจากกรรมเป็นส่วนเป็นทั้งหมดนะนะเกิดจากกรรมถ้าโรคที่เกิดจากกรรมเนี่ยหมอชีวกก็รักษาไม่หายพระพุทธเจ้าก็าห้ามไม่ได้อยู่แล้วเนะ หรือความหนาวเนี่ยนะความหนาวก็ถือว่าเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งนะความร้อนเนี่ยนะอย่างเมษาเนี่ยนะเป็นไงคุณบุญชูอยู่บ้านอากาศสุดยอดเลยนั่นนะนะรับความร้อนนะอยู่ที่โน่นก็ความหนาวใช่ไหมอยู่ที่โน่นกับความหนาวมมย อ, อ, อยู่ที่นี่กับความร้อนนั่นะนะความหิวเนี่ยกับความกระหายนะถ้าได้ดีหมดนะไม่หนาวไม่ร้อนไม่หิวไม่กระหายอะไร แล้วก็ปวดอุจาระปวดปัสสาวะอีกแล้ว น, นะนั่ ง, งยนงย็นๆแล้วก็ปวดอุจาระปวดปัสสาวะอย่างนั้นะแล้วก็สมสัมผัสที่เกิดจากเลือบนะนีที่นี่คุณบุญชูไปเจอไอ้ตัวลักเข้าไปเลือบไม่กัดอ่ะตัวลักแทนเลือบไม่ใช่ไม่มีแต่มันไม่ค่อยกัดเหลือบเยอะมากตัวลักก็คือะกลุ่มเหลือบตัวคล้ายๆแมลงวันแต่ตัวนี้เนี่ยมันมันลักที่เรียกว่าลักเนี่ยเพราะว่ามันมันไม่กัดให้เห็นอ่ะ แป๊บเดียวเนี่ยมันกัดเนี่ยนะเขาบอกว่าสำนวนควายยังสะดุ้งเลยตัวนี้กัดนะนเจ็บปวดมากเป็นตะกูลเหลือบเนี่ยนะคล้ายคล้ายมันะตัวเท่าเท่านั้นแหละกัดเร็วแล้วก็แพ้เนี่ยนะนะแพ้ก็กินยาแก้แพนอนสมเป็นวันตอนแรกแหมป่านี้วิเศษสุดยอดเลยนะชอบป่ามากไปเจอตัวรักกัดเข้า่าเอ๊ป่านนี้ชักไมก่ค่อยสนุกละ อ่นะครับใช่กลับมาอยู่เมืองเนี่ยไม่มีตัวลักและตัวยุงแทนเลอยุงเข้าอีกนะบางแห่งก็ลมเนี่ยมากไหมลมนี่ไหมคำว่าลมเนี่ยทำมําน่ากลัวตรงไหนตรงที่มันมีฝุ่นมาด้วยก็ลมบางอย่างมันพาฝุ่นออกมาด้วยไนั่นแหละหรือว่าแดดเนี่ยนจะต้องไปธุระที่ไหนกลางวันแสกๆไงนะแดดจ้านั่นแหละคุณโชคดีัยไงอุ่นดีไหม ก็นี่เวลารับแดดก็นึกถึงหน้าหนาวนี่เออนี่เราอาบแดดเข้าไว้หน้าหนาวจะได้นึกถึงตรงนี้เย่าง น, นัน <c oughs> แล้วก็สัตว์เสือคลานทั้งหลายเนี่ยนะถ้าเจอแมลงป่องตัดเนี่ยนะบางคนเนี่ยแพ้ก็แทบตายนั่นแนหะพวกสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายนะกลมงูงเงี้ยวเขี้ยวเสือเป็นต้นเนี่ยหรือว่าอ้าทุกอย่างดีหมดไม่มีปัญหาทัว่าดีหมดเลยแต่มีแม่แม่ตายยังไงมีโรคแม่เข้ามาอีกแล้วนะ ถามว่าสบายใจไหมล่ะก็ทุกเรื่องแม่ไปอ่ะไม่มีเรื่องแม่ก็เรื่องพ่อพ่อตายเป็นต้นน่นนะหรือว่าไม่มีพ่อมีแม่ตายก็พี่ชายน้องชายตายายิ้มตายคนเดียวเนี่ยพระนั่งซึมมานั่ง น, นอนนะนะเรียว่าโศกไม่โศกแต่ว่าเสียใจ <c oughs> กลุ่มเดียวกันนั่นแหละมันกันต่ดีสัมรวมขึ้นดีเยอะน้องอยังตายแล้วพี่จะเหลือไปจากไห น, นอนะ บางทีก็ทุกข์เพราะพี่หญิงน้องหญิงตายเนี่ยนะทุกข์เพราะบุตรตายก็มีไงลูกตายก็เสี ย, ยใจกันบางทีก็ลูกชายตายบางคนก็ลูกสาวตายเนี่ยนะบางคนก็เพราะญาติตายบางคนก็เพราะว่าทุกอย่างดีหมดเนีย่ยนะไอ้ที่ว่าไปเนี่ยดีหมดแต่ว่าค้าขายขาดทุนเนีย่ยนะพวกกระซับล่มจมใช่ไหยล่มสลายแห่งโภคาเนีย่ยนะก็ทุกข์อีกเรื่องทรัพย์เข้ามาละหรือ โรคมันมาเล่นงานซะจน ไ, นไหนมันใชมันมี<ใ>น ม, นมีให้ทุกจนได้นะมน ไ, ไ, นไม่ได้ <c oughs> เป็นพ่อเป็นแม่นะตัวเองก็เรียบร้อยหมดเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เป็นไรอาหารการกินก็ดีที่อยู่ก็ดีทรัพย์สินก็มีค่าใช้ใจ่ามีมีพอใช้ เอ้ยลูกนี่มันสูบบุหรี่อ้าวเขาไปทุกข์กับมันนะสูบบุหรี่ป่านี่ไม่เลิกมึงต้ตายนะอะไรนะโอ้เนี่ยลูกเล็กๆยังไม่เลิกสูบบุหรี่นะเนี่ยนะตุงลมปองพงษ์ไอ้ป่องไอ้ป่งพอ ง, อ, อ, งอะไรเนี่ยนะมาเอ้าเดือดร้อน เ, อเรื่องบุหรี่ลูกกินเหล้าอีกแล้วนะนี่นะเริ่มมาเร่กินเหล้านี่นะ เ, นะเดือดร้อนอีกนะเพระไอ้หลานนี่ไม่เคยกินผักเลยนี่เอาอีกแล้วนะหาเรื่องทุกข์อยู่ได้นะคือ มันอะไรอ่ะมันมีเรื่องให้ทุกจนได้นะฮะหาเรื่องทุกจนได้นะ ม, นมันหาจนได้นะครับแปลกจังเลยนะแต่คนอื่นไม่สูบบุหรี่ก็ไม่เห็นไปยุ่งกับเขาคนอื่นเขาสูบแทบตายแล้วก็ไม่เห็นเดือดร้อนนะก็คือเนี่ยอย่างโรงพยาบาลทั้งหลายนะเราเห็นแล้วเราจะเฉยเฉยใช่ไหมแต่ถ้าลองญาติเราอยู่ในตึกนั้นนั้นอยู่ตามที่นะคนที่คนพิเศษของเราบางนั้นแต่ใครก็ได้ ที่ว่าเป็นคนพิเศษสําหรับเรานะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องถ้าไปใชโ้โรงพยาบาลอยู่เนี่ยนะเราจะยิ้มไห ม, ม, ไหมอ่ายิ้มไม่ออกนะสถานีตารวจเนี่ยถ้าญาติของเราเป็นใหญ่อยู่ในนั้นก็ยังช่วยหน่อยนะแต่ถ้าญาติของเรามีปัญหาอยู่ในนั้นอนะในโรงพักทั้งหลายแหละนะเห็นะจะยิ้มไม่ออกเลยถ้าผ่านห้องขังมาเนี่ยนะขับรถผ่านคุกเป็นต้นมาเนี่ยถ้านุญาตอยู่ในนั้นด้วยเราจะยิ้มไม่ออกเลยอะ่ะนึกเมื่อไหรก่ก็ก็โทรมนัดหมดเนี่ย คือมันเป็นทุกตอนที่ว่ามันมันอยู่นอกเหนืออํานาจเราด้วยนะแม้ว่าเราอยากให้มันเป็นอะไรมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดน่ะเราอยากจะให้มันดีมันก็ไม่ดีบ้างไม่ดีบ้างไม่อย่างเป็นที่เราคิดนะฮะทุกอย่างเลยนะตรงนี้นียครับมันเป็นความทุกข์นานๆมันก็จะเออมาสมใจที่เราหวังทันทีใช่ไหมใช่มันมันยากจริงๆแต่ว่าไอ้แค่นั้นก็เลี้ยงเอาไว้นะไอ้ความสุขไมน้อยนั่นแหะที่สมหวังสักหน่อยเลี้ยงเอาไว้อะเนี่ยนะเลี้ยงเอาไว้นั่นแหะ บางคนก็ทุกอย่างนี่หมดนะเสียศีลทุกเพราะศีลนี่นะศีลขาดอย่างพระบางรูปเนี่ยร้องไห้เลยนี่นะอย่างพระพระสุทินเนี่ยนะหลังจากที่ท่านเสพเมถุนกับเมียเก่าของท่านนี่นะหลังจากนั้นท่านกินแหนงแคลงใจตลอดพร้อมเป็นโรคพร้อมเหลืองเลยนะทั้งทั้งที่มีอุปนิสัยมักผลอยู่ก็ไม่ได้บรรลุนี่นะเสียใจมากเลยนะคือคือคนที่มีความตั้งใจสูงมากถ้าพลาดอะ เนี่ยนะพราะท่านท่านท่านตั้งใจสูงมากอดข้าวเกือกวันที่เจ็ดจึงได้บวชพอบวชแล้วก็เคร่งครัดอยู่ในทุดงเนี่ยนะบวชอยู่ตั้งแปดปีอะ่ะนะแปดพรรษานี่อยู่ชีวิตด้วยความเคร่งครัดตลอดตอนหลังก็เสพเมถุนเนี่ยนะเพราะเพราะครบเพื่อนชั่วคือแม่เนี่ยนะตอนหลังเนี่ยท่านพผอมเป็นโรคผอมเหลืองเลยบางคนก็ไปไปผิดศีลเนี่ยนะเป็นอบัติอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตํารองลงมากว่า น, นั้นก็เสียใจกันเนี่ยนะ ก็ก็ทุกเพราะเสียศีลเนี่ยนะบางคนก็ทุกเพราะความชิบหายแห่งทิฐิเนี่ยนะเพราะมิจฉาทิฐิเนี่ยนะเป็นเหตุให้ให้ให้ทุกใช่ไหมทุกเพราะมิจฉาทิฐินะ น, น, นะก็ทิฐิเป็นปัจจัยให้ทุกขก็ก็อย่างที่เห็นใช่ไหมพวกประเภทไปประพฤติอัตากีระมัฐานุโยกอย่างหนึ่งหรืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะพวกที่เคยเป็นมิจฉาทิฏฐิตอนหลังมีกรร ม, มสกตา แล้วถามว่าพอรู้บ้างแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะที่ที่ไปทำอะไรไปเนี่ยนะที่ที่ไปเป็นมิจฉาทิฐิก่อนหน้านี้อย่างงี้ยนะพอรู้ในตอนหลังก็ก็เสียใจนะอย่างสมมุติว่าก่อนหน้านี้ไม่เชื่อว่าบุญบาปมันมีผลเป็นต้นก็ทำกรรมด้วยอำนาจเต็มที่เลยนะตอนหลังอะ่ะพอมารู้เข้าอะ่ะก็ทุกเพราะไอเพราะไอทิฐิ ท, ท, ท, ที่ตัวเองเป็นนั่นะ คำว่าเพราะเห็นก็คือเพราะประสบพิจารณาเทียบเคียงทําให้เจมทําให้แจ้งก็บอกว่าเพราะเห็นหมูสัตว์ดิ้นรนอยู่อันนี้หมายถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์เห็นความทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ที่มีอยู่ในโลกนี่ยคว่าเหมือนปลาทั้งหลายดิ้นรนอยู่ในที่มีน้ําน้อยนะปลาในน้ําน้อยที่มันดิ้นรนเนี่ยอธิบายว่าปลาทั้งหลายอันกานกตะกลมนกยางจิกเฉี่ยวฉุดขึ้นกินอยู่ ย่อมดิ้นรนกระเสือกกระสนทุรนทุรายวันไหวเอ็นเอียงกระสับกระส่ายอยู่ในที่มีน้ําน้อยคือในที่มีน้ําเล็กน้อยมีที่มีน้ําจะแห้งฉันใดหมูสัตว์ก็กระเสือกกระสนทุรนทุรายวันไหวเอ็นเอียงกระสับกระสายไปมาด้วยความดิ้นรนเพราะตันหานนก็คือดิ้นรนเพราะตันหาดิ้นรนเพราะ ทิฏฐิดิ้นรนเพราะกิเลสดิ้นรนเพราะทุจริตดิ้นรนเพราะประโยคเพราะกรรมเพราะผลของกรรมเนี่ยนะด้วยดิ้นรนเพราะของผู้ที่กำหนัดขัดเครืองลุ่มหลงเปน็นต้นก็ดิ้นรนเดือดร้อนอยู่อย่างนั้นแหละมันเรียว่าเดือดร้อนเหมือนปลาในน้ําน้อยเช่นั้นก็ไล่ดูเธอเอาถามว่าใครมีความสุขจริงๆนะมีความสุขจริงๆเลยเนี่ยมีไหมโดยที่สุดแม้นักร้องเพลงดนตรีที่กําลังชื่นบานมีความสุข ข, ของเพลงเสียงเพลงนั่นอะ ถามว่าสุขจริงหรือเปล่าเนี่ยนะ น, นักร้องที่อย่างที่ที่ร้องเพลงที่เรียกว่าเพลงที่เรียกว่าคนฟังแล้วมีความสุขมากเลยนะถามว่าคนที่ร้องเพลงอันนั้นเขามีความสุขจริงๆริงไหมเนี่นยนะเอาโดยที่สุดขนาดนี้ก็แล้วกันเอาอืออือใช่าการซ้อมทั้งการเดินทางทั้งกราบกรำบท ห, ห, ห, หลับบทนอนสาลพักเราดูผิว นึกไม่ออกไหมถามว่านักมวยที่ต่อยชนะเลยนะที่ที่ได้ความสุกเพราะเพราะเข็มขัดของนักมวยมาเนี่ยนะถามว่าไปถึงก็ไปต่อยเขาทีเดียวแล้วก็สลบมาเลยได้เข็มขัดนัเลยใช่ไหมไม่ใช่อนะถูกเขาต่อยมันจะน่วมหมดนะนะยิ่งนักมวยที่ชนะแชมป์โลกนานขนาดไหนก็แปลว่าถูกต่อยมานานขนาดนั้นทั้งซ้อมด้วยทั้งถูกต่อยด้วยนะเย รอยยกก็ดีนะอเออที่เตรียมตัวซ้อมมา50ยกแล้วอะไรเงีอาายยกแชมป์เต่าไฟร้ยอยยี่สิบปุะบานอันนี้นนะั่นไมน่าเบื่อมากไหมใช่ก็รักษาแชมป์ไม่กี่ปีนะก็ถูกต่อยมาขนาดนะั้นคนทนไม่ได้ค่อยตรงนี้ในบนเวทีไม่เท่าไหร่นะใชแล้วถามว่านักวิ่งชนะโลกแชมป์โลกเลยนะถามว่าจะต้องวิ่งเท่าไหร่ ผมเคยเป็นนักวิ่งมาแล้วผมเป็นนักวิ่งทนฮนะวิ่งวิ่งห้าพันเมตรครับโอ้โหอย่าบอกใครว่ามันทรมานแค่ไหนเลยนะห้ากิโลห้ากิโลนะฮะต้องวิ่งให้อา่าให้ถ้าจะแชมป์เขานะรประมาณสิบกว่านาทีนะแล้วก็วิ่งไปนี่นะฮะเออถ้าคนชนะมันยังมีกําลังใจวิ่งนำหน้าไม่ใช่ไหมไอ้คนแพ้เนี่ยต้องวิ่งแล้วเลิกวิ่งไม่ได้โดยอายเขาด้วยนี่เลยก็แหมโอ้โหมัน แล้วไม่หนัหนกนะตอนที่ตอนซ้อมนี่เลยครับต้องซ้อมให้ได้ครบห้ากิโลครับวิ่งอ่ะนอกคิดดูไม่ใช่ซ้อมครั้งเดียวใช่ไหมไม่ใช่ครับ <c oughs> โอ้โหเป็นปีนครับสนุกเลยยังรำจนชนะไงนนะจนชนะเรื่องรำเรื่องแต่งตัวเรื่องอะไรเป็นต้นเนี่ยนะแต่และเบื้องหลังของทุกเรื่องทุกเรื่องนะที่มันสําเร็จเรียบร้อยเนี่ยนะ ก็เคยถามเงนบอกว่าเออเนี่ยถ้าไปเที่ยวสวนที่ก็แต่งไม่งามๆเนี่ยนะสวยไหมสวยเอาไหมล่ะให้เป็นเจ้าของแลดูแลอันนี้แหละห้ามไปไหนด้วยดูแลยอยู่เท่านี้แหละให้มันแต่งไม่แล้วต้องสวยเท่านี้ตลอดไปด้วยนะ <c oughs> โอ้โหจะภาระขนาดไหนนะนีเป็นภาระไปที่เราต้องเชี่ยวเชิงกันเลยอนะืมอืมทำหน้าดีสุดเลย แล้ว ก, ก็ทุกๆเรื่องอ่ะนะเดือดร้อนเนี่ยความความเดือดร้อนที่มีอยู่ในโลกนะก็ใครมั่งที่ไม่เดือดร้อนอ่ะนะบอกว่า้าตําตแหน่งสูงที่สุดบอกว่าเป็นนายกดูเถอะงั้ น, นให้เป็นนายกเลยคำถามจะมีความสุขสักเท่าไหร่เนี่ยนะนนถ้าบอกเป็นปีหนึ่งก็แก่ไปอีกเท่ากับทําเท่ากับมีชีวิตอีกสามสี่ปีะนะคนอื่นใช้ชีวิตสามสีป่ปีเจ้านี้ใช้ปีเดียวเนี่แก่เท่ากันเลยแหละนะรับภาระเนี่ยหนักมาก เสร็จแล้วนะถึงจะทุกข์ด้วยเหตุผลประการที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดนะอันนี้เรียกว่าทุกข์แบบเรียกว่าใครไม่ได้ทําให้หรอกมันทุกข์มันมันทุกข์มันเองแต่ทีนี้ยังมีประเภทกลุ่มเบียดเบียนกันอีกว่าสัตว์ทั้งหลายาสัตว์ทั้งหลายทําร้ายกันและกันความว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทาร้ายกันทําร้ายตอบกันเคืองกันเคืองตอบกันปองร้ายกันปองร้ายตอบกันนะเอาเข้าไปเขาก็เอามาใช่ไหม ด่าเข้าไปคําเขาก็ด่าคืนมาสิเป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นแม้พวกพระราชาก็วิวาทกันกับพระราชาแต่เป็นโบราณเลยนะเดี๋ยวก็ยกทับบ้านนี้ไปตีเมืองโน้นเมืองโน้น ôn, มาตีเมืองนี่นะสมัยนี้มันมีประชาคมโลกอะไรขึ้นมานะียมันก็ดีขึ้นนะสงครามมันน้อยลงอะ่ะถ้าเทียบกับโบราณเลยนะแต่โบราณนะก็ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนมากไอ้ชาวบ้านที่เพาะปลูกเนะี่ยเขาหมดแรงหมดกําลังใจที่จะเพาะปลูกเพราะเพาะปลูกส่งไปสงครามอย่างเดียวเนี่ยนะนะ ไม่มีราคาเนี่ยเขามาซื้อถูกๆเอาไปขายให้พวกทาหารกินอ่ะนะพ่อปลูกเนี่ยโม่ถ้าถ้าถ้าศึกษาประวัติศาสตร์จีนหน่อยนะโอ้โหมันทะเลาะกันจริงๆนะเร่งให้ประชาชนเนี่ยทําพืชทําเกษตรเนี่ยให้มากที่สุดนะก็เอามาเก็บเก็บเ ส, บเสร็จจะได้ไปทําสงครามทําสงครามอีกอาแบบสงครามแบบโบราณ น, นะมันไม่ได้ไวแบบสมัยนี้ก็ต้องกลับมาเพาะปลูกอีกเร่งประชาชนให้พ่อปลูกอีกเก็บซวยมากขึ้นเนี่ยนะ สามสงครามอีกแล้วเนี่ยนะก็พระราชาทะเลาะกันเนี่ยนะแปลว่าบ้านเมืองมันทะเลาะกันทั้งหมดเนี่ยนะ